ก่อนอื่นใดพึ่งสวดมนต์ที่ทํามงคลให้แก่ชีวิตสวดมนต์จะให้ได้สาธยายหลายคนบอกไม่ไหวสวดมนต์ที่พระไทยพื้นถิ่นพื้นบ้านและชาวชนบททั่วๆไปรู้จักกันมาแต่โบราณซึ่งได้ยินทั่วไปในงานมงคลต่างๆเจนงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ฉลองพระใหม่และงานฉลองต่างๆมากมาย คือพระบริษิที่รู้จักกันว่าเจ็ดตำนานและ12ตําตำนานถ้าเป็นงานมงคลสามัญก็สวดเจ็ดตำนานถ้าเป็นงานพิเศษใหญ่ๆก็อาจจะสวด12บําตำนานทั้ง7ตําตำนานและ12ตําตำนานนั้นได้บอกรายชื่อและนำมาแสดงรายการให้ดูครบหมดแล้วที่นี้ที่วัดทั้งหลายถึงแม้ไม่ใช่ในงานพิธีก็มีการสวดมนต์กันเป็นประจำทุกวัน เรียกว่าทำวัดเช้าทำวัดคำ่ำหรือทำวัดเย็นก็ได้พูดกันเป็นสามัญว่าทำวัดสวดมนต์โดยไหว้พระด้วยการสวดคำสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเป็นหลักก่อนแล้วสวดมนต์บทต่างๆทยอยไปเมื่อกี้นี้ได้บอกว่าสวดมนต์เป็นถ้อยคำที่เราหยิบคำของพรา์ที่เขาใช้กันมาก่อนเรานำมาใช้เพื่อสื่อเรื่องราวใหม่ของเรา ให้คนที่อยู่มาเก่าเข้าใจพอจับเขาได้แต่เราใช้แบบล้อคำของเขาคือเราต้องให้คนเข้าใจความหมายของเราที่ต่างจากของเขาขอทบทวนว่ามนต์หรือมันตราของพราหมณ์หมายถึงคำพีพระเวทคำศักดิ์สิทธิ์ใช้สื่อกับเทพเจ้าอ่อนวอนเทวดาสแสดงฤทธิ์เสกสาบด่าแช่งทำร้ายเช่นสะกดคนอื่นเป็นต้น ม น, นี้แม้จะนํามาใช้ในพระพุทธศาสนาแบบเทียบเคียงดังว่านั้นก็ใช้น้อยนักในคำภีทั้งหลายพูดถึงมนก็มุ่งไปที่พราหมณ์และเมื่อนํามาใช้ทางพุทธก็ให้หมายถึงพุทธพจน์คําตรัสคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนที่เทียบใกล้กับมนก็คือป ร, ริศที่ว่าแล้วซึ่งบ่อยครั้งเรียกว่าพุทธมนิแต่ป ร, ริศของพุทธ ไม่ให้กิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีการสาบแช่งทำร้ายใครๆแต่เป็นการอ้างสัจจะอ้างธรรมะเป็นอำนาจที่จะปกป้องคุ้มครองตัวเองและคนที่พึงดูแลรักษาที่นี้ก็ได้บอกว่าการสวดมนต์ที่ถูกต้องของชาวพุทธนี้มีตัวแท้ตัวจริงอยู่ที่การสาธยายเวลาว่าไปสวดไปต้องมีสติ ระลึกนึกได้นึกทันถ้อยคําเนื้อความที่ตัวสวดและมีปัญญารู้เข้าใจสิ่งที่สวดนั้นแล้วโยงออกมาสู่การใช้การปฏิบัติพอถึงตรงนี้หลายคนบอกว่าไม่ไหวเพราะคําสวดเป็นภาษาบาลีที่ไม่รู้ความหมายแล้วก็สวดและฟังกันมาเรื่อยเปื่อยเปื่อยแสนานานไม่ได้นึกไม่ได้ใส่ใจเนื้อความถึงเวลานี้แม้แต่แค่รับศีล ก็ว่าเรื่อยเปื่อยให้จบๆไปเท่านั้นเองนี่ก็ฟ้องถึงความเสื่อมที่ปล่อยปละละเลยกันมาจนจะหมดโดยไม่รู้ตัวนี่อะไรกันบอกว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเอาละ่ะก็มองในแง่ว่าเห็นใจบทที่สวดนั้นมากมายนักจะให้สวดด้วยสติแล้วรู้เข้าใจทั้งหมดก็ไม่ไหว แต่จะมัวอยู่กันในความประมาทปล่อยเรื่อยเปื่อยเรื่อยไปก็คือจะหมดน่าจะเริ่มฟื้นเอาส่วนที่เป็นแกนเป็นแกนขึ้นมาตั้งหลักให้ได้ก่อนตั้งหลักอย่างไรเอาที่พระปริ์ทั้งเจ็ดตนานและ12บสองตำนานนี่แหละถึงจะมากมายแต่ท่านมีระบบให้ไว้ถ้าเราเข้าใจระบบของบทสวมดมนต์นั้นก็จับแกนได้แล้วก็ตั้งหลักขึ้นมา ทำไมจะสวดปริตต้องสวดมงคลละสูตรนำหน้าขอทบทวนให้สังเกตว่าในรายชื่อปริตที่จัดเป็นระบบเป็นชุดไม่ว่าเจ็ดตานานหรือ12ตํานานนั้นขึ้นต้นด้วยมงคลละสูตรเป็นข้อแรกคือมีมงคลละสูตรนำหน้าข้อที่แปลกไม่น้อยคือมงคลละสูตรนี้ไม่เป็นปริตไม่เรียกว่าปริต แต่เอามานำหน้าขึ้นก่อนปริศทั้งหมดทั้งชุดละทุกชุดท่านจัดตั้งวางเป็นระเบียบแบบแผนในการเจริญพระพุทธมนตรว่าเมื่อจะสวดพระปริศไม่ว่าชุดใดต้องสวดมงค ล, ลสูตรนำหน้าก่อนทั้งที่มงค ล, ลสูตรไม่เป็นปริศยิ่งกว่านั้นในเวลาสวดถ้ามีเวลาน้อยหรือเร่งรัดอาจจะเว้นไม่สวดบางปริศในชุดนั้นๆก็ได้แต่ต้องสวดมงค ล, ลสูตร นี่เป็นความสาคัญพิเศษของมงคลลสูตรที่รวมเข้ามานำหน้าในชุดปริษทั้งที่ไม่เป็นปริษเรื่องนี้จะอธิบายอย่างไรที่จริงก็ได้อธิบายไว้นิดหน่อยก่อนนี้แล้วที่นี่จะอธิบายไม่ให้ยืดยาวบอกแล้วว่าปริษนั้นเป็นบทสวดเพื่อคุ้มครองป้องกันโดยมีอนุภาพต่างๆกันเป็นด้านด้าน บทหนึ่งก็ใช้เพื่อคุ้มครองป้องกันด้านหนึ่งเช่นโมระปริใช้สวดในเวลาเช้าที่จะออกจากถินจากบ้านและเย็นค่ำที่กลับเข้าบ้านเข้าถินให้ไปหากินโดยสวัสดีขันทาิปริศบางทีเรียกอหิราชเปริษใช้สวดแผ่เมตตาผูกมิตรกับเหล่าพญางูสี่ตระกูลเป็นต้นไป มีอนุภาพป้องกันงูร้ายสัตว์เลื้อยคลานตลอดจนสัตว์ทั้งปวงพวชังคะปริดใช้สวดให้คนเจ็บไข้ฟังช่วยให้หายโรคปริริษอย่างพวชงนี้ที่จริงแสดงหลักธรรมสำคัญยิ่งดังที่ว่าเป็นองค์ของการตรัสรู้แต่สำหรับคนทั่วไปซึ่งมองที่เรื่องราวว่าพระพุทธเจ้าและพระมหาสาวกบางรูป สดับการสวดพ่อชงแล้วหายอาพาธก็จับมาใช้กันในความหมายที่เป็นปริศอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มาดูมงคลละสูตรที่ว่าไม่เป็นปริษไม่ใช้สวดเพื่อป้องกันแก้โรคแก้ภัยอะไรแต่สำคัญมากคือใช้สวดเพื่อสร้างมงคลแก่ชีวิตทำชีวิตให้ดีงามเป็นมงคลตรงนี้ดูให้ดีที่เราสวดปริศ เพื่อปกป้องรักษาตัวนั้นชัดอยู่แล้วว่าสิ่งสําคัญคือชีวิตซึ่งเป็นเนื้อตัวของเราเราจึงปกป้องรักษาชีวิตที่เป็นตัวเรานั้นให้พ้นโรคพ้นภัยการป้องกันภัยเป็นเรื่องด้านนั้นด้านนี้และชั่วครั้งชั่วคราวแต่ชีวิตที่เราจะป้องกันรักษานี่สิเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลทําให้ดีตลอดเวลาและชีวิตที่ดีที่เลิศประเสริฐนั่นแหละ จึงควรแท้แก่การที่จะปกป้องรักษาชีวิตที่ร้ายที่ไม่ดีบางทีก็เลยไม่น่าจะป้องกันรักษาด้วยซ้านี่แหละเป็นความสำคัญของมงคลละสูตรคือมงคลละสูตรสวดเพื่อสร้างมงคลแก่ชีวิตเพื่อทําชีวิตคือตัวเรานี้เองให้ดีมีความสุขความเจริญให้เป็นชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐ ที่มีคุณค่าควรแก่การที่จะให้พระปริ์นั้นนี้มาปกปักรักษาพูดง่ายๆว่าทำชีวิตนี้ให้ดีมีคุณค่าเสียก่อนสิแล้วจึงไปเรียกหาป ร, ริ์นั้นนี้มาคุ้มครองรักษาเนี่ยลหละมงคลสูตรจึงต้องมานำหน้าป ร, ริษ์ทั้งหมดได้มงคลสูตรไว้บทเดียวนี้ ก็มีฐานมั่นที่จะก้าวไปถึงจุดหมายมงคลละสูตรมีธรรมะ3ามสิบแปดข้อที่จะสร้างมงคลอันสูงสุดให้แก่ชีวิตครบทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นจนตลอดเราก็มาตั้งเป้าที่ชีวิตของตัวตัวนี้แล้วก็เรียนรู้ธรรมะสามสิบแปดข้อที่จะทําให้ชีวิตของเราได้มงคลครบทั้ง38ประการ อย่างที่ว่านี้มงคลละสูตรแสดงธรรมะครบทั้งหมดตั้งแต่สำหรับเด็กไปจนถึงผู้เท่าชราตั้งแต่เริ่มปฏิบัติธรรมไปจนบรรลุนิพพานแม้จะบอกไว้เป็นหลักกว้างๆแต่ก็เป็นระบบที่จะแยกย่อยไปโยงกับธรรมะข้อย่อยมากมายที่ทรงแสดงไว้ในที่อื่นๆพูดง่ายๆว่าครอบคลุมธรรมะทั้งหลายได้ทั้งหมดจึงเชื่อมถึงบรรดาปริธด้วย ในตอนท้ายที่จะจบมงคลละสูตรนี่เองพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าผู้ที่สร้างมงคล38ที่พระองค์ตรัสไว้นี้แล้วจะเป็นผู้ไม่ปราชัยในที่ทุกสถานประสบความสวัสดีในทุกสถานการณ์นี่คือเท่ากับได้ป ร, ริ์ทั้งหลายมารวมครอบคลุมไว้ทุกประการการที่ท่านวางแบบแผนไว้ว่าเมื่อจะสวดพระป ร, ะริศทั้งหลาย ให้สวดมงค ล, ลสูตรนาก่อนนั้นน่าจะชวนให้นึกยงไปถึงหลักทั่วไปที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าในธรรมวินัยนี้มีอนุบุพพสิกขาคือการศึกษาตามลำดับอนุบุพพกิริยาคือการกระทำตามลำดับอนุบุพพปฏิปทาคือการปฏิบัติตามลำดับเป็นขั้นตอนต่อเนื่องไป ไม่ใช่จะปฏิบัติข้ามขั้นตอนให้บรรลุถึงนั่นถึงนี่ได้ปุกปับเหมือนมหาสมุทรซึ่งตามปกติจะลาดลุ่มลึกลงไปลงไปไม่หัวบ้าบอย่างลงเหวดังที่ว่าแล้วมงคลละสูตรมีข้อปฏิบัติครบถ้วนและพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็นขั้นตอนตามลำดับตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบสูงสุดทุกคนต้องไม่ประมาทในธรรม การสวดมงคลลสูตรจึงเป็นเครื่องเตือนให้ผู้ปฏิบัติธรรมตรวจดูการปฏิบัติของตนให้ครบให้ถูกต้องสมควรเช่นถ้าเป็นครอหอัสจะเจริญสมถะวิปัสนาให้แจ้งปรมาติ์ก็ต้องไม่ละเลยการเจริญประโยชน์ขั้นตาเห็นเป็นทิฏฐธรรมให้พร้อมให้ดีไว้เช่นบำรุงมารดาบิดาเลี้ยงดูบุตรธิดาเกื้อกูลภริยาทำกิจการงานเข้มแข็งให้สำเร็จผลดีเป็นต้น เมื่อรู้ตัวเห็นว่าอย่างน้อยเฉพาะหน้าเวลานี้จะไม่สามารถสวดมนต์มากมายได้ตามหลักให้ถึงแกนแท้ที่เป็นการสาธยายก็จับเอาแค่มงคลละสูตรนี่แหละให้ได้เป็นหลักเป็นแกนไว้มนบทอื่นๆก็สวดไปเท่าที่เคยได้ยอมไปก่อนนี่คือหนึ่งสวดมนต์ทุกครั้งจะมีบทอื่นๆอะไรบ้างก็ไม่ว่าแต่ต้องมีมงคลละสูตร เป็นบทนำอันเอกเสมอไปนี่คือว่าตามแบบแผนอยู่แล้ว 2. ถึงตอนสวดมงคลสูตรนั้นต้องให้ได้ตามหลักจริงๆคือให้มีเนื้อแท้ที่เป็นการสาธยายโดยมีสติระลึกได้นึกถึงทันทุกคำทุกความที่เปล่งออกมาพร้อมด้วยปัญญารู้เข้าใจความหมายของคำความเหล่านั้นแล้วก็สำรวจตรวจสอบตัวเองว่า ได้สร้างมงคลข้อนั้นๆหรืออย่างพร้อมทั้งมองเห็นธรรมะเพื่อสร้างมงคลที่ตนจะตั้งใจปฏิบัติให้เกิดขึ้นต่อไปเมื่อสวดมงคลละสูตรได้สมจริงไว้บทหนึ่งเป็นหลักเป็นแกนอย่างนี้แล้วก็ตั้งมงคลละสูตรนี้เป็นฐานที่มั่นไว้แล้วต่อไปเมื่อเก่งขึ้นจะขยายไปเลือกบทอื่นๆที่จะสวดให้ครบเต็มตามหลักอย่างนี้ เพิ่มขึ้นไปขึ้นไปก็ได้แล้วก็จะดีที่จริงก็แสนจะชัดอยู่แล้วว่ามงคลลสูตรนี้เป็นบทสวดมนต์พื้นๆที่พระทั้งเมืองไทยสวดกันทั่วไปทุกคนได้ฟังทั้งที่วัดในบ้านทุกครั้งที่ทำบุญงานมงคลเพียงแต่ได้ยินผ่านๆกันไปไม่ได้สังเกตไม่ได้ใส่ใจจะเป็นการดีงามเลิศประเสริฐแค่ไหน ถ้าทุกรูปทุกนามที่เป็นพุทธทิกะชนคนไทยไม่ว่าพระหรือโยมไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่สวดมงคลละสวดนี้ได้ถูกต้องตามหลักของการสาธยายพร้อมทั้งมีใจรักที่จะปฏิบัติ ด, ด้วยให้อันนี้เป็นจุดรวมเป็นฐานร่วมหนึ่งเดียวก็จะทำให้พระพุทธศาสนาในสังคมไทยมีฐานที่มั่นชัดด้วยไม่ควรให้มีใครในที่ไหนๆพูดได้ว่าคนพุทธไทยนั้น แค่มงคลลสูตรสวดมนบทแรกก็ไม่รู้เรื่องคิดว่าได้พูดมามากนักหนาพอแกการแล้วก็ว่ากันเท่านี้ก่อนท้ายนี้เพื่อให้สะดวกแกผู้มีฉันทะที่จะสวดมงคลลสูตรให้เป็นหลักเป็นแกนและตั้งเป็นฐานที่มั่นไวอย่างที่ว่าแล้วจึงนำเอามงคลลสูตรนั้นทั้งคถาภาษาบาลีและคําแปลภาษาไทยมาลงผนวกท้ายไว ในที่นี้ขออ่านให้ฟังเฉพาะที่ปลาไทยนะครับเนื่องจากท่านเรียบเรียงใหม่มงคลส8เว้นคนผานไม่คบหาเสวนาบัณฑิตชนบูชาคนที่ควรเชิดชูนี่เป็นมงคลอันอุดมอยู่ในทินที่เหมาะบ่มเพาะความดีเป็นทุนไว้แต่ต้นตั้งตนไว้ถูกทางอย่างมั่นคง นี่เป็นมงคลอันอุดมเล่าเรียนส่งความรู้ให้เชี่ยวชาญมีวิชาชีพวิชาช่างที่ชำนาญพร้อมไว้มีวินัยที่ได้ฝึกเป็นอย่างดีมีถ้อยวจีที่พูดได้งดงามนี่เป็นมงคลอันอุดมบำรุงมารดาบิดาด้วยกระตันญูใส่ใจเลี้ยงดูบุตรธิดาเกลืนอนุนสามีพัญญาให้สมเป็นคู่ชีวิตทำกิจการงานไม่ข้างคางสับสน นี่เป็นมงคลอันอุดมให้ปันแก่คนทั้งหลายมั่นในหลักธรรมจัร ญ, ญามีใจนำพาสงเคราะห์ญาติไม่ขาดกิจกรรมดีงามบำเพ็ญประโยชน์นี่เป็นมงคลอันอุดมงดเว้นจากความชั่วคุมตัวจากของมึนเมาเร่งเร้าตัวไม่ประมาทในธรรมนี่เป็นมงคลอันอุดมมีคาระวะให้ความสำคัญสมควรแก่คุณค่า ีริยาวาจาอ่อนโยนสุภาพไม่กระด้างถือตนสันโดษด้วยลาภผลที่มีตามธรรมสำมนึ ก, กตัญญูรู้ค่าของผู้มีคุณความดีจัดให้มีเวลาฟังธรรมหาความรู้นี่เป็นมงคลอันอุดมเป็นผู้ที่เข้มแข็งอดทนเป็นคนที่พูดกันง่ายไปพบพระเพื่อเจริญธรรมเจริญปัญญาจัดเวลาสาขชาถกปัญหาถกธรรม นี่เป็นมงคลอันอุดมมีตบะห้ามใจไม่โมเมามุ่ง ม, ม, มั่นทำหน้าที่มีชีวิตดีงามดำเนินในอริยมารคามีปัญญาเห็นอริยสัจ ถ, ถึงความจริงของชีวิตสำริดที่หมายได้ประจักษ์แจ้งนิพพานนี่เป็นมงคลอันอุดมแม้จะถูกโลกธรรมผ่านกระทบก็มีใจสงบได้ไม่หวั่นไหวมีใจชื่นสบายไร้โศกสัน มีจิตผ่องใสไร้ทุลีละอองควันและจิตนั้นกเกสษมสารมั่นคงนี่เป็นมงคลอันอุดมเหล่าเทวะมนุษย์ได้กรอบมงคลเช่นนี้เป็นผู้ที่ไม่ปราชัยในทุกสถานจะถึงความสวัสดีในทุกสถานการณ์นั่นคืออุดมมงคลของเทวะมนุษยชนเหล่านี้แหละ ขอทุกท่านร่วมมนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านที่เห็นความสําคัญในการสนับสนุนชมรมผลดีให้สามารถทํางานต่อไปได้การเข้ามาฟังการกดไลค์กดแชร์เนื้อหาที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ก็เป็นการสร้างกุศลแบบง่ายๆนะครับเพราะทุกการกดฟังถูกใจแชร์ส่งต่อจะมีผลต่อระบบการค้นหาทําให้ถูกแนะนําไปในวงกว้างเป็นบุญที่ทําได้ง่ายและได้ผลจริงในยุคออนไลน์ไร้พรมแดนที่การทําบุญหลายอย่างไม่ต้องใช้เงิน ไม่เสียเวลาแต่กลับได้ผลมากอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะครับหน้าที่หลักชาวพุทธคือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแพ่ธรรมอันเป็นมงคลสูงสุดที่พาพ้นทุกได้ถาวรการให้ปัญญาย่อมได้ปัญญาธรรมทานมีผลมากมีอนิสง์มากการเกิดเป็นทุกข์ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะความไม่รู้เมื่อรู้จริงถึงแก่นธรรมจึงหยุดการเกิดไม่จบสิ้นนี้ได้จริง ขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่เหลือดังนี้นะครับพรพิมลนาถมทองครอบครัวทัญโกเแสสุขครอบครัวใจทิมครอบครัวลิมปานุภาพพระสุรสิทธิโจติวังโสธนวัฒน์เขมวนณิศนิรันรัตไรวิรัตชัญญนัทวงเนราสมพศพฤติกัน์อนันยพัฒนเกื้อสมพรกิจสุนีธนกมธรเดวิชัยนนทวัฒน์ครอบครัวเมืองแก้วการ ครอบครัวงามสุริยพงศ์ครอบครัวสิริโรจนชนะฮิรันวราราภรณ์ธนลืออังคณามนทาทิพกุลชนาโรธบุญทวีสีหชัยครอบครัวสุทธะหลวงครอบครัวโทสกุลครอบครัววิเชียนชัยอิทธิโชติสิริพาสกุลนัทระดานุติวัฒภาคินเนรียับสุวรรณกุลชัชชตาสวนอุไทยสุพมาศบุญประเสริฐ พลพร อ, อภิวัฒนาเสวีสิริคริงสมฤทธิจ์จีลาพันธุ์รุตอุดมพรครอบครัวเรียนทองนาช น, นิพาติมานพ ก, กัิยาเจริญทรัพจิตนภาสีสมานณทิตามงคลศิสริอันอา น, านั์เชษสุภากุลรุจาพาแก้วมณีเพรมใจร่วมบัวจักกริชโคตันันัญลักษ์บุญล้อมนิชนันวงศีอาสมิิยาแสนดวง รักินาพาม่วงแก้วนภารัตน์โอสถากุลธนพลพึ่งบำรุงทนายยวงสุวรรณสินีนาฏจำปาทิพงศ์นัฐพงศ์ทองไพโรธรัสุดานนกลางเอกอนงบันจงวัฒนานิรายาอิมอกนภัทระภูรดดำริมาลัยภาสันเทียพรชัยวิรุณบันเทิงธนการโรจนภูวเดชกิติพิษดาชนบททารวันตนเฮียมวิวันทิพย์เดชะ จนละทิตปัสสาธิกาสุริยนเขตกร อ, อรนงจันเปงกุลธิดาแทะไหลอนัญญาทองทุมสุพินดาสังทองและขออนุโมทนากับผู้ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่านด้วยนะครับสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง